ไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยยกมือสิไม่เคยเลย YouTube ก็ไม่เคยนะซดีก็ไม่เคยฟังยกยกใหม่ซิขอดูให้ชื่นใจเลยมาจากประเทศไหนว่าคนประเทศอื่นเอยางมาฟังเลยนะพยยมฟังนะฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรฟังซีด YouTube อเลยไป ถ้าเข้าใจแล้วใช้เวลาไม่นานเดือนสองเดือนสามเดือนพัฒนาเป็นแล้วล่ะเดีออ๋ยวนี้คนพาวนาฟังซีดีนะเดือนเดียวพาวนาได้แบบสุดจันรประเภทสมัยก่อนสามสิบสี่สิบปีก่อนพาวนากันสิบปียี่สิบปียังไม่เท่านี้เลยเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ เวลาไปกลับครูบาอาจารย์ส่งเงันบ้านพระอุปถัมภ์บางทีถามเลยโยกปฏิบัติยังไงปีหนึ่งเนะี่ยพระทำสิบปียี่สิบปีไม่ได้เท่าเดี๋ยวนี้จะว่าแต่ปีหนึ่งเลยฟังซีดีหลวงพ่อเดือนหนึ่งนะ่ะก็ทำได้ทำได้มันอยู่ที่การจับหลักของการปฏิบัติให้แม่น ถ้าหลักของการปฏิบัติไม่แม่นรูปรู ป, รปคำคำเสียเวลากี่สิบปีมก็อยู่แค่นั้นนะมันไม่เจริญขึ้นแต่ถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นรู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากถ้าเริ่มให้ถูกทางอย่างเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนจากสนามบินตรงเนี้ยจะเข้าไปในเมืองแล้วเราขึ้นถนนเมนได้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็ถึง แต่ถ้ามันขึ้นผิดถนนเนี่ยยิ่งเดินยิ่งไกลงั้นมาฟังธรรมะเนี่ยนะมาเพื่อให้รู้ว่าถนนมันอยู่ที่ไห น, นเพราะพระเจ้าก็บอกถนนให้เราเท่านั้นเองท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางเราก็รู้ทางที่ท่านบอกนะเมื่อเรารู้ทางที่ท่านบอกแล้วเราก็เดินขยันเดินหน่อยอย่าขี้เกียจรู้ทางแล้วบางคนก็บอกเอาไว้ก่อนเอาไว้แก่ๆ ก, ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติ เมื่อก่อนนะคนชอบบอกเนะี่ยอายุห้าสิบก่อนจะปฏิบัติไอ้พวกที่พูดแบบเนี้ยอายุมันไม่ถึงห้าสิบมันตายก่อนก็มีนะงั้นเราประมานไม่ได้ะเราประมานไม่ได้ต้องลงมือตั้งแต่วันนี้เลยเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ไห ม, มเมื่เลิศเรายังจะอยู่หรือเปล่านะเดือนหน้าปีหน้าเราจะอยู่หรือเปล่าไม่แน่เลยแข็งแรงดีๆอย่างเนี้ยไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งเอาเฉยๆก็มีนะปุบ๊บๆก็ตายละ เราไม่รู้ว่าเวลาของเราเหลือเท่าไหร่ชีวิตเหลือแค่ไหนต้องลงมือทันทีถ้าถัดเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติช้าเกินไปประมาทเกินไปชีวิตเป็นของไม่แน่นอนคนตายเรื่อยๆนะมันไม่ได้ตายตามอายุว่าคนแก่เขาตายก่อนที่อายุน้อยเขาตายไม่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราก็นะต้องรีบภาวนาแต่ก่อนจะรีบภาวนาต้องรู้ก่อนว่าทางมันอยู่ที่ไหน ถ้าเราไปดูภัตไตปิฎกอย่างหลวงพ่อก่อนจะเจอหลวงปุดุลตัตติเจ็ดขวบหลวงพ่อทำแต่สมธาธะทำอานาปนานสติหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้วิธีว่านอกจากการนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพน้นทำอยู่ย2สสองปีไม่เห็นมันจะหลุดพ้นตรงไหนเลยอาศัยหน้าภาพเพียนไปอ่านอันตัยปิฎกดู พระไตรปิฎกมีทั้งสี่สิบห้าเล่มอ่านแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนจากสี่สิบห้าเล่มเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยตำราก็มีมากครูบาอาจารย์ที่สอนไว้ก็หลากหลายบางท่านก็สอนทำสมาธิก่อนแล้วก็มาดู ก, กายบางท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาในฌานอะไรต้นวิธีการปฏิบัติเยอะแ ย, ย, ยะไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงเมืาเจอหลวงปู่ดุล น, นะท่านสอน ให้ดูจิตตัวเองหลงพ่อหันดูจิตตัวเองเนี่ยสภาวะที่ได้มาอันแรกเลยคือความตื่นภาวะที่รู้สึกตัวขึ้นมาเราจะดูจิตตัวเองได้จิตเนี่ยมันไม่เกินกายออกไปมันจิตมันไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้ไม่ไปอยู่ในท้องนาไม่อยู่บนภูเขาหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้งั้นเราจะไม่ให้จิตเนี่ยหลงออกไปจากกายจะเรียนรู้อยู่ในตัวเองนี่แหละขอบเขตของการปฏิบัตินะ ปฏิบัติอยู่ที่ตัวเองไม่งั้นเราจะไปดูจิตตัวเองได้ที่ไหนจิตมันไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ภูเขาไม่ได้อยู่ที่แม่น้ำนะไม่ได้อยู่ในท้องนาจิตมันต้องอาศัยอยู่ในกายเนี้ยคืออ่านพระไตรปิฎกนะบอกว่ากายนี้เหมือนคูหาเหมือนถ้ำเป็นโพรงจิตอาศัยอยู่ในเนี้ยงั้นเราจะเรียนรู้หลวงปู่ให้ดูจิตเราจะรู้ไม่ให้เกินกายออกไปนี่เป็นการกําหนดขอบเขตว่าเราจะเรียนที่ไหน นี่พอเราจะคอยรู้สึกอยู่ที่กายนะบางทีเราก็รู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบางทีเราก็รู้สึกที่ความรู้สึกไปรู้ที่ความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกดีรู้สึกร้ายมันหมุนเวียนอยู่ในจิตใจการที่เราคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยเรียกว่าเรารู้สึกตัวเป็น แล้วพ่อค่อยๆฝึกไปเลยแล้วทั้งใจมันตั้งมั่นขึ้นมามันรู้ทันเวลาใจไหลไปคิดพอรู้ว่าใจไหลไปคิดเนี่ยคือใจมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งแล้วมันลืมกายมันลืมใจอย่างเวลาเราหลงไปคิดเราใจลอยใครใจลอยเป็นบ้างมีไหมต้องต้องถามใหม่ขอถอนใครใจลอยเก่งบ้างะมันไม่ใช่แค่เป็นหรอกพระก็ลอยเหมือนกันน่ะ ทั้งตาทังโยมสังเกตไหมเวลาที่ใจลอยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจแล้วจิตใจเราไปหลงอยู่ที่ไหนเวลาใจลอยนะจิตใจไปหลงอยู่ในโลกของความ ค, ามคิดนึก อ, ออกไหมไปรู้เรื่องที่คิดนะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตเพ่เจอไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกที่กายไม่ได้รู้สึกที่ใจไม่ไม่มีความรู้สึกตัวอยู่ ใจิตใจมันร่องรอยไปตลอดเวลาดังหลงไปอยู่ในโลกของความคิดบางทีก็ไม่ได้หลงไปอยู่ในความคิดอย่างเวลาเราดูใจเราผูว้วิ่งออกไปดูมันหลงออกไปข้างนอกมันไปดูอย่างรถชนกันเวลารถชนกันใครชอบดูบ้างมีไหมมันอดดูไม่ได้หรอกอยังไงมันก็ต้องดูนะอย่ามาทา มารยาทดีอย่ามาหลอกหลวงข้อว่ารถชนกันก็อุเบกขาโถเอ้ยคอยาวจะเป็นเปลืออยู่แล้วแต่ละคนเนี่อุเบกขานะเวลารถชนกันน่ะใจก็วิ่งไปที่รถไปดูเขาชนกันใช่ไหมค่อยชะ ง, งกชะ ง, งกจะดูสองตาเขากลัวอีกเดีย๋ยวเห็นศพเละเทะน่ากลัวดูตาเดียวนะจะได้บาดเสียวครึ่งหนึ่งนะค่อยๆหลี เวลาดูอะไรที่บาดเสียว่ะรู้สึกไหมเดี่ยวต้องค่อยๆแอบดูหน่อยๆก่อน <c oughs> เวลาดูหลงลืมกายลืมใจนะลืมตัวเองเวลาฟังก็ลืมตัวเองะเวลาคิดก็ลืมตัวเองเวลาได้กลิ่นก็ลืมตัวเองเวลาได้รสก็ลืมตัวเองเวลามีอะไรมากระทบร่างกายเราก็ลืมตัวเองอย่างเวลาหมาขี้เลื้อนมาสีเราเนะเห็นหมาขี้เลื้อนมากระทบร่างกานะยะแล้วมัน เวลามีอะไรมากระทบเรานั่งอย่างเงี้ยสมมตมีอะไรมากระทบขาเราเนี้ยเราจะสนใจใช่ไหมว่าอะไรมากระทบหรือสนใจขาสขมมตนั่งอยู่อย่างเงี้ยมีอะไรบางอย่างมาถูกขาเราหยุ่นหยุนเราต้องสนใจก่อนใช่ไหมว่าอะไรมากระทบคงแม่มาดูหรอกนี่ขาอยู่นี่อย่างเงี้ยที่แทงงูจะฉกอยู่แล้วงูมาเอาหวอัวสีสีอยู่แล้วยังไม่เห็นอีกนะเพราะฉั้นโดยธรรมชาติเนี่ยจิตจะออกนอกตลอด เดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ย <c oughs> วก็วิ่งไปฟังเดี <c oughs> ๋ยวไป็นวิ่งไปดมกลิ่นวิ <c oughs> ่งไปลิ้มรสวิ <c oughs> ่งไปรู้สัมผัสทางกาย <c oughs> เดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนึกทางใจอันนี้หลวงปูดูเลยว่าจิตสออกนอกจิตสออกนอก น, อกนี่นตรงข้ามกับจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเป็นของที่ดีที่สุดเลยสภาวะที่รู้สึกตัวอยู่มีร่างกายรู้สึกนะมีจิตใจก็รู้สึกพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะ บอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นแม้แต่อย่างเดียวเลยที่จะช่วยให้เราสามารถทํากุศลที่ยังไม่เกิดนะให้เกิดขึ้นแล้วทําอกุศลที่มีอยู่ให้ดับไปธรรมะอันพิเศษสุดยอดอย่างเดียวที่ท่านเห็นเลยคือความรู้สึกตัวนะั้นเบือเ้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปอปฏิบัติเนี่ยจะไปนั่งพุโทโธนั่งหายใจนะจะดูท้องฟองยุบจะขยับมือจะเดินจงกรมอะไรก็ตามจะต้องรู้สึกตัว ถ้าไปนั่งพุโทโธพุธโทโธแต่ใจลอยใช้ไม่ได้ไปนั่งรู้ลมหายใจนะจิตไหลให้ไปจมอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ลืมตัวเองนะ้เพลินเลิอนอยู่กับลมนะใช้ไม่ได้หรือนั่งหายใจอยู่จิตหนีไปคิดนะลืมตัวเองอีกแล้วใช้ไม่ได้นะเดินจงกรมบางคนเดินนั้นตั้งหลายชั่วโมงนะวันหนึ่งวันหนึ่งเดินหามรุ่งหามค่ําเดินไปก็ใจลอยไปนะคอยดูนาะฬิกาว่าเมื่อไหรจะหมดเวลาที่ตั้งใจไว้ เดินก็ชำเลืองนะไปไม่กี่ก้าวก็ชำเลืองอีกอนะไรนี่แหละหรือบางคนหลวงพ่อไปเห็นนะทุเรศมากเลยนะไปที่วัดนี่แหละะให้เดินจงกรมอยู่หน้าลานหลวงปู่ดุละเอามือถือวางไวนะ้เดินไปแล้วนะรอบหนึ่งพอกลับมานะจะต้องมาชลงงอกดูว่ามีไหลเข้ามาไหมก็ไม่จะภาวนาหาสวรรค์วิมานอะไรไพ่จิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อตัวนะมันคอย เดินไปไกลๆเล ย, เลยก็คอยกระดิกผูกว่ามันติ้งหรือ ย, อยังนพอเข้ามาใกล้ๆก็ชะงนกดูเนี่ยภาวนานะอย่าเพิดลงที่ว่าต้องนั่งนานต้องเดินนานต้องนั่งสวยต้องเดินสวยต้องนั่งด้วยความรู้สึกตัวต้องเดินด้วยความรู้สึกตัวถึงจะใช้ได้นะถ้านั่งลืมตัวใช้ไม่ได้นั่งยังไงนั่งลืมตัวนั่งแล้วก็เคลืล<ๆ><ๆ>่อนไปก็ลืมตาใช่ไหมจำตาปรื้มๆหน่อย วันนี้ภาวนาดีสงบสงบความจริงอ่ะเองอ่ะสลบไปแล้วนะนั่งอยู่หัวซุ่นหัวสุ่นไปยังมีนัําบอกว่าสงบอีกนะนั่งอย่างนี้ขาดสติใช้ไม่ได้อีกพวกนึ่งก็นะสงบใช่ไหมเนี่ยโมโหไปด้วยนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะเรียกว่ามันบังคับตัวเองงั้นถ้าเราหลงไปใจลอยไปถ้าไม่ไม่รู้สึกตัว เรามาบังคับกายบังคับใจก็ไม่ใช่รู้สึกตัวมันเครียดเกินไปภาวะแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ยากเป็นภาวะที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่สุดเป็นสภาวะที่เราไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งจิตใจแต่จิตใจนะั้นอะ่ะมันทําหน้าที่ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของมันเราไม่เข้าไปปรุงแต่งมันอย่างเวลาเราหลงไปนะจิตใจก็ปรุงแต่งกิเลสมาเราก็ตามกิเลสไปในนี้จะลงไปใช้ไม่ได้ หรเวลาเรานึกถึงการปฏิบัติเราก็บังคับใจอย่างนี้เราเข้าไปปรุงแต่งใจก็ใช้ไม่ได้ใจแอบไปปรุงแต่งโดยเราไม่รู้รู้ไม่ทันใช้ไม่ได้ไม่ว่าหลงใจมันแอบไปปรุงแต่งเองโดยที่เราไม่รู้ทันไม่ว่าหลงไปใช้ไม่ได้ไม่ใช่รู้สึกตัวใจที่เราไปบังคับไว้ให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันสงบให้มันดีให้มันสุขให้มันอย่างน้นอย่างนี้อันนี้เป็นการบังคับก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนี้นจะตรงข้ามกับการเผลอไปส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดบางทีก็เผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นพวกนั้นก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่คือเผลอไปคิดแล้วก็ตัวที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวอีกตัวนึงคือการนั่งจ้องนั่งบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจมันไม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจบังคับกับรู้สึกนั้นไม่เหมือนกันงั้นเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของลึกลับ มรคนิพพานนั้ น, นย่างเต็มบริบูรณ์อยู่ไม่ได้สูญหายไปพร้อมๆกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพราะสัจจะหรือความจริงนั้นนะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าสัจจะหรือความจริงก็ยังดำรงอยูนะ่เพียงแต่ว่าในยุคของเราเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกนะที่เป็นคนพบวิธีที่จะเข้าไปสัมผัสสัจจะหรือความจริงอันนี้แล้วนะท่านก็เอามาสอนเราดังั้นะพวกเราเนี่ย ท่านแรกเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนเพราะพุทธเจ้ า, าท่านบอกเราเนี่ยท่านไม่เห็นธรรมะอันวิเศษอย่างอื่นเลยนะที่จะทําให้อากุศลละไปนะกุศลเจริญขึ้นเนี่ยเหมือนอย่างความรู้สึกตัวทําอย่างไรจะรู้สึกตัวโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วโลกนะหรือสัตว์ทั้งหมดนะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เหมือนกันหมดนะเทวดายินพรมเลยเรก็แบบเดียวกันหมดไปนะคือโดยปกติเนี่ยจิตจะส่งออกนอก หลวงปู่ดูลน่นสอนเลยบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกจิตมันหลงออกไปข้างนอกตลอดเวลานะมันไม่ได้มากลับมารู้สึกตัวนี่เราต้องฝึกต้องฝึกธรรมชาติจิตเนี่ยมันชอบหลงนะนี่เราต้องมาฝึกให้มันรู้ตัวมันเคยชินที่จะหลงมันก็หลงบ่อยเรามาฝึกให้เคยชินที่จะรู้สึกตัวงั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเอะไรก็ได้ไม่สาคัญหรอก ดูต like right ัวเองว่าทํากรรมฐานอะไรแล้ว <Exped> ร <Voilà. S 2> ู้สึกตัวได้บ่อยเอากรรมฐานอันนั้นอย่างหลวงพ่อหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเห็นหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตนีไปคิดเนี่ยมันรู้กายมันรู้ใจของตัวเองได้โดยหลวงพ่อเนี่ยใช้อนาปานสติเป็นฐานหายใจไปเรารู้สึกหายใจไปรู้สึก นะเห็นร่างกายทํางานเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืดเดินน่นอนหรือเห็นใจมันคิดใจมันเฉลาดไปคิดรู้ทันหรือใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันดีมันชั่วหายใจไปอย่างเงี้ยพอหายใจไปใจสงบรู้ว่าใจสงบหายใจไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านนี่คอยรู้ทันกายรู้ทันใจบ่อยๆนะการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจคอยรู้คอยดูกายดูใจบ่อยๆนี ต่อไปจิตจะเคยชินที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจต่อไปไม่ต้องเจตนารู้สึกมันจะรู้สึกได้เองนะเนี่ยเราคอยทีแรกเราระจงใจนิดหน่อยหายใจออกรู้สึกห้ใจเข้ารู้สึกแวบเดี๋ยวหนีไปที่อื่นแล้วหนีแล้วเ็าแล้วไปช่างมันเอาใหม่เริ่มใหม่หายใจใหม่ให้ใจออกรู้สึกให้ใจเข้ารู้สึกใหม่นะถ้าไม่ชอบหายใจจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้เดินไปทุกก้าวด้วยความรู้สึกตัวก็ใช้ได้นะ เดินไปแล้วใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งไว้เครียดเครขึ้นมาก็รู้นเนีฝึกอย่างนี้ใจมันจะเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวได้เพราะจิตมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วต่อไปมันจะรู้สึกตัวของมันเองนะตรงที่มันรู้สึกได้เองเนี่ยมีเสร็จที่สุดจงใจรู้สึกเนี่ยยังเจือด้วยโลภเจตนาอยู่นะในขณะที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจะไม่มีความจงใจ อย่างเราพอนาแล้วเราก็กาวอีกนิดนึงจะเกิดแล้วอีกนิดนึ่งอริยมรรคจะเกิดแล้วจะไม่เกิดเลยมันจะเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจงั้นเราต้องมาฝึกจกนกระทั่งเรารู้สึกตัวเป็นนะรู้สึกตัวเป็นจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนก็ไม่ใจลอยจะยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เ응คร่งเครียดไม่บังคับกายไม่บังคับใจเคลื่อนไหว shining, ก็เคลื่อนไหวไปปกตินะจิตใจก็ทํางานไปปกติรู้สึกไปเนี่ยจะคอยรู้สึกอยู่ที่กายอย่างนี้ก็ได้หรือจะคอยรู้สึกอยู่ที่ใจก็ได้ จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้คอยรู้สึกไปคอยรู้สึกไปอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็ใช้ไม่ได้หรือจิตใจมีกิเลสโกรธขึ้นมาคนไหนขี้โกรธเราก็ดูจิตโกรธขึ้นมาเราก็รู้สึกจิตหายโกรธเราก็รู้สึกเดี๋ยวก็โกรธอีกละโกรธอีกก็รู้สึกีหายโกรธอีกก็รู้สึกอีกฝึกอย่างเนี้ต่อไปพอมันโกรธปุ๊บขึ้นมานะไม่เจตนาจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกเอง เพราะฉบื้องตนเนี่ยต้องหัดทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วค่อยรู้สึกกายรู้สึกใจไปก็คือฝึกสตินั่นเองฝึกให้มีสตินั่นเองนะเวลาใจลอยก็ขาดสติไปอย่างไนกันพวกเราเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐาน4ใช่ไหมรู้กายรู้เวทนาคือความสุขทุกข์รู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลรู้รูรปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะ กายเวทนาจิตธรทำทําไปเพื่อความมีสติถึงเรียกว่าสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติเอากายมาฝึกให้มีสติเอาเวทนาคือความสุขทุกข์มาฝึกให้มีสติเอาจิตที่เป็นกุศลอกุศ ล, ล, ลมาคอยรู้คอยดูไปเรื่อยแล้วต่อไปกุศลเกิดก็มีสติอกุศลเกิดก็มีสติ เ, เตนี่ยค่อยฝึกไปงั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไป เป็หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจอย่างนี้ก็ใช้ได้หายใจไปหายใจไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขบางทีหายใจไปจิตใจไม่มีความสุขนะเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดก็รนะู้ว่าเคร่งเครียดก็เห็นเลยจิตใจมันมีความทุกข์เนะนี่ยเคยดูไปพอจิตใจบางวันนั่งหายใจไปจิตใจมีความสุขเราก็รู้นะ ตรงที่เราเห็นร่างกายหายใจเราก็รู้สึกอยู่ว่าร่างกายหายใจเรากําลังฝึกกายานุปัสสนาะแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาหรือความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทันตรงนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาพอมีความสุขเนี่ยเราก็ยินดีพอใจนะพอมีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีความยินร้ายไม่พอใจไม่มีโทสะเพราะฉะนั้นะ ม, มีราคะคือพอใจมีโทสะ ความไม่พอใจเกิดขึ้นเราใครรู้อันนี้เรียกว่าจิตตาหรือศาสนานแล้วเราใครดูไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความดีความชั่วก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรามาเองไปเองเปลี่ยนแปลงตะลอดเวลาการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายนะทั้งรูปธรรมคือกายนี้ทั้งนมามธรรม คือความสุขทุกความดีความชั่วเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปฮนะเรียกว่าเราจเจริญเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะเราเห็นธรรมะนะเราจเจริญธรรมะอยู่ละงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะวันหนึ่งใจเขาจะแจ้งอริยสัจขึ้นมานะก็เป็นถ้าเข้าใจอริยสัจเมื่อไหร่ก็จบบทเรียนในธรรมานุภัสสาสติปัฏฐานตัวสุดท้ายเลยคืออริยสัจไม่ว่าเราจะเริ่มด้วยกายหรือเริ่มด้วยเวทนาหรือเริ่มด้วยจิตนะี สุดท้ายจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเหมือนกันทุกคนเพระฉนั้นบางคนเริ่มจากกายตอนจะหลุดพ้นก็คือรู้อริยสัจบางคนดูเวทนานะดูสุขดูทุกข์อะเนี่ยเวลาหลุดพ้นนะก็รู้อริยสัจบางคนดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลตอนจะหลุดพ้นก็รู้อริยสัจรู้อันเดียวกันนั่นเองถ้าไม่รู้อริยสัจนัไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องสมุทยัยเรื่องนิโรดเรื่องมรรคนะ ยังต้องเวียนว่ายไตเกิดอีกนะถ้ารู้แจ้งแทงตลอดอญญายศาสตร์ก็พ้นจากวัฏตนี้ได้ไม่เกิดอีกละจะมีความสุขสมบูรณ์เต็มที่อยู่ในตัวเองเนี่ยเราฝึกไปรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันทํางานไปหรือว่าถนัดเห็นความสุขทุกข์เราก็รู้สึกตัวไปเห็นความสุขทุกมันทํางานไปรู้สึกตัวไปถ้าเราถนัดเห็นความโกรธว่าคนชี้โกรธ ในห้องนี้ใครขี้โกรธบ้างโกรธเก่งยกมาซื้อหงุดหงิดเลยด้วยอ่ะนะอย่างตอนนี้ยรู้สึกร้อนก็หงุดหงิดแล้วเนะี่ยถ้าขี้โกรธเนะี่ยเราก็ดูใจของเราเลยโกรธขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้ะรู้สักพักหนึ่งความโกรธก็หายไปคนไหนขี้โลภบ้างเจออะไรก็อยากซื้อหมดเลยเจออะไรก็อยากได้เจอผัวชาวบ้านอย่างชอบเลยนะเนี่ยเอามือลงไปเยอะเลยนะ อันนี้ยเกลรงใจคนที่บ้านเรานะเจอครัวชาวบ้านก็ชอบชอบมันอยู่ที่ใจห้ามมันไม่ได้แต่อย่ากิดศีลเท่านั้นแหลนะะแค่นั้นเองในนี้ผู้ชายคนไหนแต่งงานแล้วบ้างยกมาสิผู้ชายที่แต่งงานแล้วเ อ, อต่อไปนี้ไม่ต้องยกนะเคยชอบผู้หญิงอื่นนอกจากเมียเราบ้างไหมหลังจากแต่งไม่ต้องยกนะมันเรื่องคอขาดบาดตาย เห็นไม่ว่าใจเป็นของห้ามไม่ได้ใจจะชอบก็ห้ามไม่ได้ใจจะโกรธก็ห้ามไม่ได้นี่เราคอยเรียนรู้มันนะถ้าคนชี้โลกเราก็เห็นเลเดี๋ยวความโลกก็เกิดแล้วราคะเกิดเดี๋ยวความโลกก็หายไปเดี๋ยวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็หายอีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นปกติเป็นอย่างนี้เลยดูอย่างนี้ไปเรื่อย เดี๋ยววันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะอย่างเราเห็นร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้ารู้ร่างกายมันก็ไม่เที่ยงร่างกายนั่งอยู่ก็เมื่อยเดินอยู่ก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยนะวิ่งอยู่ก็เมื่อยทาอะไรก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรยๆกาจะรู้ร่างกายนี้มีความทุกข์เยอะแยะเลยขณะนี้ยใครรู้สึกทุกข์บ้างเหมือนซีนในร่างกายนะ มันจะมีอยู่ตลอดนะพวกที่ไม่ยกเนี่ยมานั่งตั้งหนานแล้วขันบ้างไหม <c ười> ขันก็ทุกข์นะหรือคันเป็นความสุขเวลาคันอนะทุกข์ใช่ไหมได้เก่าแล้วมีความสุขเพราะอะไรเพราะันมันหายไปเความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาเกิดเนืองเนื่ในจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย อยู่บ้านก็อยากมาฟังเทศเพออยากฟังเทศแล้วก็กลับบ้านอยากกลับบ้านเลยนะใจมันวอกเวกวอกเวกมันเปลี่ยนของมันได้เองเราจะรู้เลยใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงด้วยแล้วก็บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงของมันได้เองด้วยหรือความดีความชั่วในใจโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงรู้สึกไหมว่าความรักก็ไม่เที่ยงไม่ต้องยกมือนะความรักก็ไม่เที่ยง แล้วรู้สึกไหมเราจงใจรักก็ไม่ได้เราจงใจไม่ได้ใครมีลูกมากกว่าหนึ่งคนนะต่อแต่นี้ไม่ต้องยกนะรู้สึกไหมว่าเรารักลูกไม่เท่ากันกล้าอยอมรับความจริงไหมลูกสองคนเนี่ยเรารักไม่เท่ากันนะนะบางคนเนี่ยจะจะโมโหมันด้วย่อย ถามว่ารักไหมรักรักเท่ากันเนะี่ยพูดอย่างนี้รักเท่ากันจริงๆไม่เท่าหรอกจริงๆริงนะบุตรชน่นะยังไงก็มีอคตอิลูกคนนี้เอาใจเราอนะเราก็ชอบมันมากหน่อยลูกคนนี้ไม่เอาใจเราเราก็ว่ามันลูกดือ้อนะทำร้ายมันเมื่อทีตีมั น, ม น, มนไม่อยากตีมันก็ว่ามันก็ทําร้ายมันได้ว่ามันหน่อยเราวสะใจบางทีไม่ได้ว่ามันตรงๆนะหลวงพเคยเจอเลยคนแก่แก่เนี่ยนะมีลูก ชอบเอาลูกเป็นนินทาให้ชาว บ, บ้านฟังเคยเจอไห อ, อนินทาลูกนินทาหลานก็ราะเพราะามันมีโทศาสะใช่ไหมส่วนอีกลู ก, อ, กลอีกคนหนึ่งหลานอีกคนหนึ่งเขาใครเอาใจชมขเขาด้วยเจอใครก็ชมไปเรื่อยๆตรงนี้นะตอนเมื่อก่อนหลวงพ่อทําทงานอยู่นะผู้ใหญ่เคยสอนคุณอย่าไปทะเลาะกับคนแก่นะคนแก่ว่างงานนะเพราะงั้นถ้าคุณมีเรื่องกับคนแก่เนี่ยนะ เขาจะด่าคุณตลอดชีวิตเลยเขาว่างแล้วเขาจะตะเวนไปประกาศนะอออแต่ถ้าคุณทําดีกับคนแก่นะเขาก็ว่างเข้าใจไหมคนดีกับคนแก่นะเ <K un> <K un> ขาจนะเที่ยวโฆษณา้คนนี้มันดีนะนอย่างโน้นอย่างนี้อนะไรเงีนะ้ยสังเกตดูใจเนี่ยบังคับไม่ได้จะชอบหรือจะไม่ชอบจะชอบมากหรือชอบน้อยจะเกลียดมากหรือเกลียดน้อยเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ เคยมีหมเดินเดินถนนไปเห็นหน้าคนนึ่งเราก็เกลียดเลยอะ่ะมีไหมหน้าไอ้นี่เนะมันเหมือนไอ้คนที่มาเคยจีบผู้หญิงชนะเราไปนะสมัยเมื่อห้าสิบปีก่อนเนี่ยทา้งนี้ไอ้คนนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแต่หน้ามันคล้ายกันหน่อยเดียวอะ่นะแล้วกเกลียดมันละเคยมีไหมรับเจอก็เกลียดละมีบ้างไหมแล้วเจอก็ชอบเลยมีไหมอย่างเนี้ยใจง่ายเจอก็ชอบเลยนะ จริจริงใจง่ายทุกคนนะใจเนี่ยคลิกไปคลิกมาพลิกไปพลิกมาะเนี่ยค่อยรู้ค่อยเรียนรู้ความจริงนะของร่างกายค่อยเรียนรู้ความจริงของจิตใจมันเริ่มต้นมาจากที่เรารู้สึกตัวได้ก่อนรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้ด้วยการฝึกซ้อมทํำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้สึกร่างกายคอยรู้สึกจิตใจเช่นหายใจอยู่ก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูไม่ลืมการหายใจ ไม่ลืมร่างกายหรือหายใจอยู่แล้วใจลอยไปรู้ว่าใจลอยรู้ทันใจพอรู้ว่าใจลอยปุ๊บใจจะกลับมาที่ตัวเองเพรเรารู้ทันใจแล้วจนะกลับมารู้สึกตัวได้แล้วเราทํำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วรู้สึกกายรู้สึกแจพรู้สึกมากๆแล้วต่อไปเนี่มันจะเดินปัญญามันจะเห็นว่าร่างกายเนี้มันเป็นของที่มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ เป็นสิ่งที่จิตไม่รู้เข้าลองยกเราขยับมือตัวเองดูสิไม่ต้องมองนะขยับรู้สึกไหมมือขยับไอ้ตัวเนี้มันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามือมันบอกไหมว่ามันเป็นเรามือไม่เคยบอกเลยนะเราแะไรบอกเองอะใจเป็นคนบอกนี่มือของเรานั้นเนี่ยขยับไปขยับมาแต่คิวกินเนี่ยมือเป็นอนัตตาไปแล้วสั่งไม่ได้ ไม่ค่อยรู้สึกอยู่ที่กายเขารู้สึกอยู่ที่ใจนะรู้สึกกายมันจะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาก็เห็นได้มันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเป็นมัตถุเป็นก้นอนธาตมีท่านุไหลเข้ามีท่านแไหลออกตลอดเวลาถ้าดูจิตใจจะเห็นกว่าไม่เที่ยงง่ายเพราะจิตใจเนี้ยแปรปรวนใจง่ายใจง่ายเปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนตลอดเวลา แล้วคอรู้สึกไปคอยรู้คอยดูไปนะแล้วจิตใจเนี่ยเป็นของที่สั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยที่สั่งได้นะอย่างเราสั่งบอกใจของเราจะมีความดีนะมีศีลธรรมนะีสั่งได้ใช่ไหมได้แต่สั่งแต่สั่งไม่ได้สั่งบอกจงถือศี 5, ลห้าแป๊บเดียวศีลก็ดังพ้อยลนะ จงมีสมาธิห้ามฟุ้งซ่านก็ฟู้งแหลกเลยว่าทํายังไงจะมีสมาธิ mm hmm. ใจจะฟุ้งห้ามเอนไม่ได้เรียนรู้ความจริงนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเราจะได้เห็นความจริงของร่างกายได้เห็นความจริงของจิตใจการเห็นความจริงของร่างกายการเห็นความจริงของจิตใจยเรียกว่าการเจริญปัญญา การเจริญปัญญาเนี่ยเป็นกุศลนะเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดอย่างเราเอาเงินไปถาไวายวัดสักแห่งหนึ่งนะร้อยล้านอะไรเงี้ยได้บุญเล็กน้อยแลนน้นมันของข้างนอกเราไปบริจาคโลหิตเนี้ยบริจาคยากนะบริจาคโลหิตเนี่ยต้องใจแข็งเนี่ยได้บุญเยอะนะบริจาคส่วนหนึ่งในร่างกายของเราออกไปเนี่ยได้บุญมากกว่าบริจาคสิ่งของอีก สิ่งของมันเป็นส่วนเกินเป็นของข้างนอกนะเราบริจาคไปก็ได้บุญส่วนหนึ่งแต่การที่สามารถบริจาคเลือดบริจาคอาวัยวะบริจาคร่างกายอนะไรเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่กว่านะบุญมันไม่เท่ากันแต่บุญอะไรนะก็ไม่สูงสุดเท่ากัรมีสติมีปัญญาเพราะบุญอื่นๆเนี่ยมันจะทําให้เราเวียนใบไตเกิดอยู่ในโลกที่ดีนะอย่างเราทําทานอะไรเงี้ยเราก็าเกิดมาร่ํำรวย คนทำทานเนี่ยถึงจะไม่มีเงินนะก็รวยนะคนที่รู้จักให้คนอื่นนะใจที่รู้จักให้คนอื่นนะถึงเราไม่ค่อยมีตังค์นะมันก็รวยแล้วนะเพราะอะไรคนชี้งกอใจมันแคบนะมันจนตลอดบางคนมันมีเงินตั้งพันล้านนะมันก็ยังรู้สึกมันจนนะต้องดิ้นรนทำมาหากินแทบตายเลยเหนื่อยมากเลยกลัวจนนะว่าจนทั้งชาติเลยบางคนเนี่ยทำมาหากินนะพออยู่พอกินไปได้ มีความพอใจในชีวิตตัวเองเขารวยแล้วละ่ะคนลําบากกว่าหรือมีสัตว์มีหมามีแมวมาอดหดอยากอยากนะให้ทานมันกินอัเนี้ใจใจที่รู้จักให้มันรวยอยู่ในตัวของมันเองแล้วไม่ต้องรอไปชาติหน้าหรอกไอ้คนอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันหิวตลอดคนหิวคนงกเนี่ยอดห ด, นะ ด, ดอยากอยากนะใจยังอนอยากอยู่นี่เราค่อยๆฝึกนะ่อ พ, พัฒนาใจขึ้นใจให้เราสูงขึ้นสูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นมา บุญไดประกอบในสติบุญใดประกอบในปัญญานะียิ่งสูงที่สุดนะสูงยิ่งกว่าการทําทานสูงกว่าการรักษาศีลสูงกว่าการนั่งสมาธิแต่คนไม่ทําทานไม่ถือศีลไม่นั่งสมาธินะโอกาสเจริญปัญญามันก็ยากเพราะว่ามันเป็นความดีชั้นสูงความดีชั้นสูงถ้าไม่มีสมาธิไม่มีศีลเนี่ยจะไปเจริญปัญญาทําให้ได้จริงอะใจมันจะฟุ้งซ่านไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่าน ใจฟุ้งซ่านใจก็ไม่อยู่กันเนือกับตัวนะไม่สามารถเห็นความจริงของไกาของใจคือไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะฉนศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเรียงร้อยกันอย่างงดงามนะเป็นคําสอนที่งดงามมากเลยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามีศีลเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ปฏิทุสไลสติสัมปชัญญะ ต, ตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะด้วยศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยเราไม่เบียดเบียนนะเรารักษาศีล เราไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองใจมันค่อยสงบเพราะนถ้าเรามีศีล น, นะใจมันค่อยสงบเข้ามาทาสมาธิง่ายสงบง่ายคนไม่มีศีลฟุ้งซ่านทําสมาธิายากและพอใจมันสงบแล้วเนี่ยจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกมันมีสมาธิเราสามารถจะดูความจริงของร่างกายสามารถที่จะดูความจริงของจิตใจได้ งั้นถ้าไม่มีสมาธิคือจิตใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญปัญญาไม่ได้นะงั้นศีลสมาธิปัญญานะขาดอะไดอันหนึ่งไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยกันต้องทางานร่วมกัน <Okay. S 1> บางคนบอกว่าเจริญปัญญาแล้วไม่ถือศีล น, นั้นเป็นปัญญามหาโจรแล้วงั้นไม่ได้ลดละกิเลสอะไรหรอกเนี้ยอย่างเจ้าเล่ไม่ใช่เจริญปัญญาจริงงั้นฝึกนะตั้งใจรักษาศีลห้า ทุกวันต้องรักษาศีลหนะ้าห้าข้อเท่านั้นไม่ต้องศีล8ปนดะยเวนพระนะเดี๋ยวพระบอกว่าต่อไป น, นี้สบายนะ227ไม่ต้องแล้วเอาศี 5, ล5เพราะหลวงพ่อประโมทบอกนะอันนี้บอกโยมนะพระไม่เกี่ยวเนนไม่เกี่ยวคือศีลหนะ้าแล้วก็ฝึกทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้สึกตัวไป หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้สึกว่าหลงไปแล้วกลับมารู้สึกการหายใจใหมนะ่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดนะูหรือว่าจิตใจเป็นสุขขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาคอยรู้สึกนะจิตใจดีขึ้นมาร้ายขึ้นมาคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยจิตใจที่อยู่กันเนื้อกับตัวนะต่อไปเวลากิเลสมันเกิดเนี่ยแล้วพอเรารู้สึกว่ากิเลสเกิดนะกิเลสจะดับเอง มันอกุศลเนี่ยจะดับการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ทันจิตใจรู้ทันร่างกายตัวไปเรื่อยนะโดยเฉพาะการรู้ทันใจเนี่ยสําคัญมากเพราะกิเลสอยู่ที่ใจอกุศลมันก็อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่กายหรอกแต่ว่าใจมันอยู่ในร่างกายถ้าเรารู้กายเราก็จะเห็นใจนะรู้ใจแล้วก็เห็นกายมันอยู่ด้วยกันนี่ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกทุกวันทําในรูปแบบค่อยรู้ทันเวลาลืมกายลืมใจรู้สึกก็รู้ทัน ก็กลับมารู้สึกกายรู้สึกใจมารู้สึกตัวได้เนี่ยว่ามีสติมีสมาธิคือมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิเนี่ยพูดภาษาไทยให้ง่ายๆเลยนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เครียดเลยนะงั้นถ้าเพ่งไว้แรงๆเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวงนั้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกสบายๆหลจากนั้นเราก็เดินปัญญาได้แล้แเห็นร่างกาย เป็นทุกขเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจไม่เที่ยงเห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะคือดูไปเรื่อยๆทำได้อย่างนี้นะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยบางทีจะได้ธรรมะใจอาจจะพัฒนาต่อไปอีกเปลี่ยนไปเลยบางทียังไม่ทันจะได้โสดาเราก็รู้สึกแล้วใจเราเปลี่ยนถ้าได้ธรมรมาแล้วใจยิ่งเปลี่ยนมากไงอย่างปุถุชนนะเวลาคิดเนี่ยมันจะมีเราคิด เวลาคิดนะจะมีเราเนียซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดจริงๆรู้สึกไหมพวกเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งใช่ไแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหลวงพ่อเฉลยให้มันอยู่เบื้องหลังความคิดถ้าเรารู้ทันกระแสของความคิดที่ผุดขึ้นมาเราจะรู้ว่าเรามันซ่อนอยู่นี้ถ้าเป็นโสดาเนี่ยไม่มีเราไม่มีกระทั่งเงาของความรู้สึกว่าเป็นเราไม่งั้นจะรู้สึกเต็มๆ เ, มเลยว่าเนี่ยคือเรา ใจมันจะเปลี่ยนนะแล้วยังได้ผ้านอาขารขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่โลภใจมันไม่โกรธกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรนเนี่ยใจไม่หลงยินดีใจไม่หลงยินร้ายใ้เป็นกลางเพราะอะไรเพราะรู้ว่าทุ้อย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของข้างนอกไม่มีความหมายอะไรอย่าว่าแต่ของข้างนอกเลยที่ตาไปมองเห็นกระทั่งตานี้ก็เป็นของไม่เที่ยงอย่าว่าแต่เสียงที่เราได้ยินเลยกระทั่งหูของเรา พอแก่ๆ ก, ก็ตึงใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินหูก็ไม่เที่ยงคนเหล่านี้แปลกนะพออายุเยอะๆะนะี่ของที่ควรตึงก็หย่อนนะของที่ควรหย่อนก็ตึงนะหูเนี่ยมันตึงนะ<อ>แข้งขาเนี่ยควรจะหย่อนหย่อนนะก็ตึงไปหมดเลยเนะี่ยแต่เนื้อนหนังควรจะตึงก็หย่อนไปหมดเลยเนี<อ>่ยมันแก่ค่อยๆรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกดูไปดูความจริงไปได้ าใจมันจะหมดความหลงพอมันรู้ความจริงตาเนี่ยไม่ใช่ของวิเศษเลยมันก็ไม่หลงรูปเมื่อไม่หลงรูปนะมันก็ไม่ยินดีในรูปไม่ยินร้ายในรูปกรรมและปฏิฆะในรูปไม่มีมันรู้ความจริงของหูนะมันไม่หลงเสียงไม่รักเสียงนะกระทั่งหูมันยังไม่น่ารักเลยหูนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะ้เสียงจะดีเสียงจะไม่ดีนี่ยไม่มายั่วใจให้กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่อมลงได้ นะกามและปฏิฆาไม่เกิดคิดเรื่องต่างๆนะใจก็ไม่โกรธไม่โลภขึ้นมาแต่นะ ใ, จใจจะชอบความสุขความสงบจะไปติดแบบนั้นแทนเนีย่ยใจมันจะเปลี่ยนนะเป็นลําดับลําดับไปพอรู้ความจริงถึงขั้นสุดท้ายแล้วรู้แจ้งแทงตลอดอริยุสัตว์จะรู้ความจริงว่าตัวจิตนี่แหละเป็นตัวทุกพอรู้ว่าตัวจิตเป็นตัวทุกนะปล่อยวางตัวจิตตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยน เปลี่ยนแบบไม่รู้จะเทียบกับอะไรเลยนะไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือลนะมันเปลี่ยนจากสิ่งซึ่งซึ่งเราคิดว่ามีนะไปสู่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันไม่มีนะมันมีความไม่มีนะยากไปแล้วลนะ่ะหน้าตาชัดเดอนะิอแล้วสานสอนเราก็อยากสอนให้เยอะๆหน่อยนะโอกาสเจอเกิดมันน้อยนะมัจะรู้จักสิ่งซึ่งมันร่วง มีสิ่งซึ่งไม่มนะีส่วนสิ่งที่มีอยู่เนี่ยจริงๆไม่มีสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเหมือนภาพลวงตานะอย่างเราชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเนี่ยนะมันภาพลวงตาร่างกายนี้ว่ามันมีจริงๆนะอยู่ช่วงนึ่งก็หายไปมันไม่มีเราจะเห็นนะมันจะแล้วมันจะไปเห็นความมีในสิ่งซึ่งมันไม่มี มีในความว่างค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งก็เห็นอนะถ้าฝึกถูกนะถ้าฝึกถูกถ้าฝึกไม่ถู ก, กไม่เห็นเนาะอ้าต่อไปนี้รู้สึกร่างกายหน่อยหนึ่งมีเวลาหนึ่งนาทีหายใจออกหรือหายใจเข้าก็ได้รู้สึกไปร่างกายกาลังหายใจอยู่แล้วร่างกายกำลังนั่งอยู่แล้วรู้สึกไปอย่าเพ่งนะ อย่าให้ใจเครียดเครรู้สึกสบายสบายแน่ใจนะว่ารู้สึกถ้าใจเป็นอย่างเนี้ยอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกนะอย่างนี้มันบังคับมากไปแค่รู้สึกสบายสบายใจโปร่งๆปรงรู้สึกด้วยใจที่สบายสบายอย่างหมอเนี่ยตึงไปแล้วรู้สึกไหม อย่างนี้ไม่ใช่เรียองรู้สึกนะตัวอะไรหัวร้อลองนึกสึ่งเดดตอนที่ตัวนั้นหัวร้อเห็นไหมตัวนั้นมันหัวร้อใจเราเป็นคนรู้สึกเรารู้สึกว่าร่างกายหัวล้อเราไม่ใช่หัวล้อยิ้มใจก็ทื่อ่ออย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะใจโปร่งโล่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวค่อยๆฝึกไปไปฟังซีดีไปดู youtube ของหลวงพ่อนะเดีย๋ยวจะโชว์โอกาสไปดูหนังฟังเพลงแล้วบอกว่าหลวงพ่อสั่ง <S <S ไป <S <S ไปดู u t u b e ที่หลวงพ่อเทศไว้ไปฟัง C ีดีที่หลวงพ่อเทศไว้เดือน2เดือน3เดือนชีวิตจะเปลี่ยนคนจํำนวนมากเข้าเปลี่ยนได้ละเราผมไม่โง่ถึงขนาดเปลี่ยนไม่ได้ไ น, นะเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งจึงเป็นสภาวะนะเป็นสัตว์ชนิดที่พัฒนาใจได้ถึงเรียกว่ามนุษย์ มนุษย์นย่ผู้มีใจที่พัฒนาให้สูงขึ้นได้นะอย่่งสัตเดราจานเนี่ยโอกาสจะพัฒนาใจเยยากนะมันทำไปตามสัญชาตญาณเราเป็นมนุษย์ละนะเราพัฒนาได้ไปพัฒนาตัวเองนะวันหนึ่งเราจะได้พ้นจากความทุกข์นิสสตีในโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้มีแต่การเบียดเบียนมีแต่คนเอาเปรียบนะมีแต่สิ่งแวดล้อมก็แย่ลงทุกวันทุกวันละ เราอยู่กับเขายากแล้วลนะ่ะปล่อยให้คนหลงเขาอยู่กันไปเรามีศีลมีธรรมใจเราสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ปล่อยสภาวะนี้ไปวันหนึ่งเราก็พ้นจากโลกจาปลอมอันนี้ไปไปเจอสภาวะที่สูงกว่านี้นะประเสริฐกว่านี้ดีกว่านี้อ้าวส่งกันบ้านเครียดจะตายแล้วพวกสมัครเนี้ยกับนวัสการหลวงพ่อ ครับก็ส่งกันว่าในรอบสี่เดือนครับก็ทั้งวันก็รักษาศีลห้าครับแล้วก็ภาวนาทั้งวันครับก็สามารถรู้สึกตัวได้ได้มากขึ้นก็คือรักษาศีลได้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วหลวงพ่อบอกให้ไปไปดูกายครับก็ภาวนาแบบอนาปาครับก็คือเหมือนให้ให้รู้ลมแล้วก็บางทีมันสงบไปก็รู้สึกแปลว่าใจมันมีแรงมากขึ้นครับมันรู้ตัวได้ดีขึ้นนะ ทำถูกแล้วล่ะแต่ขณะนี้ยจิตไม่ถูกดูออกไหมจิตมันเจ้าออกไปแล้วเราตื่นเต้นเราไปบังคับจิตให้มันนิ่งรู้อย่างที่มันเป็นนะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมหถ้าดูออกก็ไม่มีปัญหาพราวนาถูกแล้วล่ะครับก็บางบางบางครั้งก็เหมือนก็รู้ว่ามี รู้ว่ามีกายมี เ, ทมเวทนาครับแล้วกม็มันแยกแยกออกจากกันได้ครับกันและขันมันแยกแล้วภาวนาถูกแล้วไปภานาดีแล้วนะไ่ทำอีกอีกแต่ตื่นเต้นจิบมันเลยไม่ปกติไปนิดนึงขันแยกได้ดีนะแต่เราไม่รักษานะแยกก็แยกรวมก็รวมมันจะแยกของมันเอง ถ้จกใจให้ ย, า, ยามัจะเพ่งกลับนวัสการหลวงพ่อคะ่ะเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อปีก่อนรู้สือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนไปค่ะภา น, นาถูกแล้วไปทําอีกเอ่อปีก่อนที่มาส่งที่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าอาริยมรรคไม่เกิดเพราะว่าจิตไม่เข้าฐานแล้วก็กลับไปทําใหม่อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่าปฏิบัติไม่ไม่เจริญก้าวหน้านะคะ่ะหลวงพ่อว่าว่ากิเลส กิเลสมรู้ตอนนี้มันลมทุกตัวเลยแบบไม่เคยเจอที่หนักหนั ก, ก็ก็เจอค่ะอันนั้นละดีแสดงว่าเราไม่ได้เพ่งไว้นะธรรมชาติจิตโอเราเนี่ยสะสมกิเลสไว้เยอะแยะค่ะนะพอเราไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้เพง่งไม่ได้จ้องนะเรารู้ตัวเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะตัวจริงมันโผล่ขนะึ้นมานี่พอตัวจริงมันขึ้นมาไม่ต้องตกใจกิเลสจะมีร้อยตัวพันตัวก็ช่างมันนะสังเกตไหมว่าทุกตัวเกิดแล้วดับ ใช่ค่ะก็เลยสังเกตว่าเออมันมันก็ด่ามันชั่วข้าวแล้วก็มันก็เป็นไตลักนนะนั่นแหละคือปัญญาค่ะก็เป็นไตลัแต่ตรงนี้เจือการคิดนิดหนึ่งนะมันยังเจือการคิดอยู่แต่ไปหาดรู้ไปเรื่อยแต่ไปมันรู้จริงๆมันจะไม่เจือการคิดนะมาผลไม่จะเกิดก็ตรงที่มันไม่ได้คิดอะไรแล้วล่ะมันเห็นความจริงค่ะขาดขาดมีแบบมีอะไรขาดอะไรไหมคะหลวงพ่อคือสินห้าหรือว่า ก็ถือไปสิค่ะถืออยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าเราอยู่กับที่แต่ก่อนมันเคยเห็นสภาวะให้เห็นแบบแบบโน้นแบบนี้อะไรนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับคือถ้าถ้าสภาวะทางใจไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชัดๆนะดู ก, กายเลยค่ะเห็นแม้ร่างกายไม่เคยหายไปไหนเลยค่ะเนี่อร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆคนี่ก็เรียกว่าเดินปัญญาละค่ะ พอจิตมันมีกาลังแล้วเนี่ยมาเห็นจิตทำงานตอนนี้แสดงว่าของโยมนี้จิตมีกำลังใช่ไหมใช่มีแรงมากขึ้นละมีแรงมากขึ้นเข้าฐานแล้วใช่ไหมข้าหลวงพ่อใช่ใชก็แสดงว่าทาที่ทำนี้ก็คือถูกต้องก็คือทำต่อไป<ช>จน <c oughs> จนให้มันแบบแก่รอบขึ้นใช่ค่ะกับ อนุโมทนาตตค่ะขอขอบคุณหลวงพ่อค่ะแล้วก็ขอบพคุณพระพุทธเจ้าเออค่ะอนุโมทนาไปคนต่อไปว่าไงกลัวไหมน้ำมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ก็กลัวบ้างค่ะคือได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อตั้งแต่ปีสี่เก้าปีห้าศูนย์ประมาณนั้นสังเกตไหมว่าใจเราชอบคิดใช่เจ้าค่ะเมื่อใจมันชอบคิดเนี่ยมันคิดไปเรื่องนี้เป็นสุขให้รู้คิดเรื่องนี้เป็นทุกข์ให้รู้น่ะ คิดเรื่องนี้เป็นกุศลได้รู้คิดเรื่องนี้โลภโกรธลงอะไรรู้ให้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจรู้สึกไม้มใจเปลี่ยนตลอดเวลาใช่จูคาเนี่ยแหละเพราะเราเป็นคนช่างคิดเราจะเห็นจิตชัดมันจะไม่เป็นนิ่งว่างๆอยู่มันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาตลอดเวลาแล้วใช่ค่ะดีก็เคยเคยปฏิบัติช่วงที่รู้สึกว่ามันมันเจริญนะคะก็คือแบบช่วงนั้นก็รู้สึกกายชัด เลาดื่มน้ําเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกัะน้ํามันเข้าไปในโพรงในร่างกายเป็นโพรงคือช่วงนั้นก็รู้สึกว่าแตต้องระวังนะอย่าให้ใจตัวนั้นนิ่งๆนะค่ะใช่เงีื่น้ำแล้วก็ใจนิ่งทําอะไรก็ใจนิ่งๆอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะค่ะแต่ว่ามันก็มันก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปก็มีอีกช่วงหนึ่งที่ว่าภาวนาดีๆก็คือแบบกลางคืนพอนอนเนี่ยเหมือนกับใจใจมันรวมขึ้นมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันมันนอนไปแป๊บนึงมันรวมแล้วเหมือนกับ มันมันมั น, ม, นมันมีอะไรตัวหนึ่งออกมาจากร่างนะคะวูบออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ที่ที่ว่างๆที่ปลายเท้าแล้วมันก็เห็นเห็นกายอยู่แล้วก็มันมันมองไปที่หนึ่งเหมือนกับเห็นเห็นเห็นเห็นร่างคนอื่นสีขาวๆคะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ตกใจมันก็วูบกลับมาที่ที่ร่างกายอย่างนั้นอนะ่ะเอย่าบอกว่าภาวนาดี แต่นั้นจิตออกนอกะแต่ช่วงนั้นคือแบบช่วงระว่างวันเหมือนจะรู้รู้สึกร่างกายชัดแล้วพอกลางคืนเหมือนกับมันรวมแล้วมันมันมันเป็นยังไงมันเป็นไปเองเจ้าค่ะก็ก็เคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันตกใจมันตกใจกลัวมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเจ้าค่ะแล้วมันมันใจเต้นแบบมันกลัวเจ้าค่ะเห็นอะไรขาวๆอยู่ข้างนอกยังดีน้เห็นขาวๆไม่เห็นเหลืองเหลืองแดงแดงเละๆอะไรเงี้ยน่ากลัวนะกขึ้ เจ้าค่ะมันก็เป็นเป็นครั้งเดียวเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็ก็มันก็ภาวนาก็ไม่ไม่ได้เรื่องเจ้าค่ะมันไม่ไม่ได้เรื่องมาหลายปีแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยทําไมอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะก็มันมันจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นเจ้าค่ะมันฟุ้งซ่านค่ะมันไม่ตั้งมั่นเลนหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเลยแล้วทําให้มันเด็ดเดียวต้องฝึกทุกวันเจ้าค่ะ เวลาว่างเมื่อไหร่ก็หายใจเข้าพูดออกโทรไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่างเมื่อไหร่ก็คิดอะไรฟุ้งๆไปยั้นจิตจะเคยชินที่จะฟุง้งเเจค่ะนี่ยเราให้จิตมันเคยชินที่จะมาหายใจแล้วพูดโทออกนะไม่งั้นไม่ไม่พออย่างของของหนูนี่ควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมอะค่ะหายใจไปพูดโทรไปก็ได้หายใจด้วยแล้วก็พูดโทกําตับไปด้วยเหรอะคะอ ค, ค่ะขอบพระคุณจคะกล่าวน้ำสการหลวงพ่อนะคะ คือมีปัญหาที่จะถามมีครั้งหนึ่งไปอยู่ในป่านะคะทีนี้โดนมแมลงต่อยตอนนั้นอันดับแรกคือรู้สึกตกใจกลัวว่าจะแพ้แล้วช็อกอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือชอ็อกเกือบช็อกเหมือนกันแล้วนะคะแต่ทีนี้พอมันพอต่อยเสร็จ ป, ปุ๊บ ม, มันก็ปวดมากฮ ะ, ะแล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าความปวดกับเราไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน <c oughs> ใช่นั่นแหละมันแยกขันมันแยกแต่ทําไมมันแบบนานนานมันถึงจะแยกทีฮะอาสมาธิเราไม่พอใจเราฟุ้งซ่านมันก็ไม่แยกซิ ถ้าฝึกทุกวันทุกวันนะมันจะแยกตลอดวันเลย mm hmm. หนุกพ่อเนี่ย mm hmm. ตั้งแต่เป็นโยมนะขันมันแยกมาตลอดอนะแยกอยู่กันนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเห็นแต่ขันมันทำงานแต่เราไม่ได้รับประคองใจด้วยปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติถ้านานๆแยกทีก็ต้องฝึกอีก mm hmm. อ, อตอนนี้รู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิจะเครียดมากเลยนะคะโดยเฉพาะ นั่งครึ่งชั่วโมงหร่อกว่าจะไปสงบมันนั่งจากโลภไปให้รู้ทันจิตต่อไปนี้นะนั่งแล้วคอยรู้ทันจิตนั่งแล้วจิตออกนอกก็รู้นั่งแล้วจิตใสออกไปนะเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้น่ะนั่งแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าจิตเป็นยังไนอย่าไปมุ่งที่สงบถ้ามุ่งที่สงบจะเครียดนั่งแล้วคอยรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นสมาธิมันจะดีขึ้น อีกข้อหนึ่งคือจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมดีคะคือก่อนหน้านี่นเคยพยายามท่องพุโทโธคะ่ะแต่รู้สึกว่าเครียดไปก็เลยตอนนี้พยายาม<ำ>ดูกายทําอะไรก็เครียดหมดแล้นิสัยมันจะเครียดงนะั้นหายใจไปพุโทโธไปสบายใจอย่าไปทําโดยมุ่งสงบทําแล้วมุ่งให้สงบนี่เครียดทําแล้วคอยรู้ทันจิตไปทําแล้วจิตสงบก็รู้ทําแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้ะทําแล้วชอบก็รู้ทําแล้วไม่ชอบก็รู้ ทำแล้วรู้ทันจิตไม่เครียดหรอกจะทำแล้วไปบังคับจิตถึงจะเครียดคุณคูครับต่อไปใค ร, ใครเป็นคนใครเป็นคนให้จับฉลากมาันจับฉลากมา้ม ะ, ะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลยผู้ชายมันไม่มีบุญหรือไงนน้นึก <laughs> <laughs> ว่าลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยนะให้แต่สาวสาวเนี่ยไม่แก่ไม่มีสักคนเลยนะ่าว่ามา การลมัสการหลวงพ่อค่ ะ, ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะได้ฟัง YouTube กับ c ีดีหลวงพ่อได้สักประมาณหกเดือ น, นะะก็รู้สึกว่ารู้รสึกไหมว่าใจขนาดนี้ไม่ปกติดูออกไหมก็ตื่นเซ้งออนะงใจมันพยายามข่มมันนะแต่มันก็ยังพยายามหนีพยายามรู้สึกตัวให้เป็นธรรมชาติอาว่าไปก่อนก็กไม่มีอะไรว่าหลวงพ่อก็จ ะ, ะจะกราบเรียนหลวงพ่อแค่ว่า เมื่อฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เปลี่ยนออ ก, การปฏิบัติตัวเองอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มมาถือศีลมีทานแล้วก็เริ่มจะปฏิบัติภาวนาอย่างที่หลวงพ่อแนะนําใน y o u t ยูทูบนะคะก็รู้สึกว่าจิตตัวเองมันเปลี่ยนค่ะดีแล้วล่ะค่ะตอนนี้จิตมันมอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมค่ะแล้วก็แอ บ, บไปคิดสลับกันดูออกไหมถูกค่ะเออให้รู้ทันมันไม่ห้ามมันนะจิตมาดูหน้าหลวงพ่อแล้ววิ่งมาที่หลวงพ่อก็รู้ทัน ดูอยู่นิดหนึ่งแอบไปคิดก็รู้ทันนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไปทำอีกไปปฏิบัติยังฟุ้งเก่งอยู่นะจุดออนปฏิบัติได้ในรูปแบบได้หลังทาวัดเย็นสักส0มสิบสี่สิบนาทีแต่ได้จริงๆแค่แบบคิดว่นนาทีหรือสองนาทีได้มันยังฟุ้งอยู่แต่ฝึกเรื่อยๆจะมันชำนาญไม่ได้ฝึกให้นิ่งนะฝึกแล้วมันรู้สึกตัวสบายๆ แล้วอกุศลที่แบบชอบเข้ามาตลอดเนี่ยถ้าไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นนะให้เรารู้ตรงที่รู้เนี่ยได้ก็เรามีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วงั้นอกุศลเกิดร้อยครั้งแต่สติก็เกิดร้อยครั้ง ไ, ได้บุญเยอะนะ่ะกึกจะกิวดี้ตัวเองตลอดวอ่ถ้าออย่างนั้นอกุศลเกิดซ้ำํำเกิดซ้อนเข้ามาอีกตัวกิเลสเกิดเรารู้ว่ามีกิเลสถ้าเราไม่ชอบตำหนิตัวเองตัวนี้เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่ง ให้รู้ทันว่ากิเลสอีกตัวหนึ่งเกิดแล้วเกิดมาว่าตัวเองแต่ที่พยายามปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็ถูกต้องอย่า บ, างบังคั บ, บตัวเองเยอะไปะะกรรมฐานเดิมที่ฝึกนี่บังคับตัวเองมากไป ต, ออต่อไปหลวงพ่ออีกเรีอเ่องนาไม่ได้บอกว่ากรรมฐานอะไรคใครจิตออกนอกบ้างนี่โกรก์กะน้าว่ามา กาบนมั ส, สการพระอาจารย์ค่ะตื่นเต้นมากขออนุ ญ, ญาตใช้โพยอะโพยหนูทำไมมันยาวนักอะไม่ไม่ยาวอันนี้เดียวค่ะ<อ>คือทำเนื้อมียาวาใั้ <ๆ S 2> ใช้ภาวนาพุทธโธมาสักสองปีกว่า <c oughs> คิดว่าสักวันพุทธโธคงยอมเราแต่ไม่ยอม <c oughs> เ อ, อรู้สึกว่าตัวเองทําพุทธโธเอยทําสมาธิยากจังแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่ า, วาสมาธิทําง่ายก็เลยมาจับประเด็นได้ว่า อ๋อจิตมันไม่ชอบพูดโธนี่เองก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเจริญเมตตาโดยการบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาก็ก็รู้สึกว่าทำทำง่ายมากค่ะแล้วก็ทำในรูปแบบเกือบทุกวันมาประมาณหนึ่งปีแล้วทำสมาธิ10บนาทีแล้วก็ทำจิตตั้งมั่น10บนาทีโดยการดูความคิดแต่ว่ารู้สึกว่าดูความคิดนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่ากับ ดูรูเสียงฟังเสียงที่จิตฟังค่ะก็เลยกลเบไนถามพี่อาจารย์ว่าจะใช้รู้ทันจิตไปฟังได้ไหมคะหรือว่าไปฟังเสียงข้างนอกหรือหรือเสียงที่จิตพูดเสียงข้างนอกค่ะอกรรมฐานฟังเสียงมันไม่ได้ฟังได้ตลอดนะคือสังเกตตัวเองว่าเวลาจิตตัวเองคิดกับจิตที่ไปฟังเสียงนี้จิตไปฟังเสียงจะจะกลับมาได้เร็วกว่า เอาเอะไรก็ได้ให้มันกลับมาก็แล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึ้งก็คือฝึกดูกายดูใจทำงานสิบนาทีดูตัวเองตอนแรกดูตัวเองว่าเป็นโทสะจริตก็ดูเห็นความโกรธอยู่แต่พอปฏิบัติมาปฏิบัติมาเนี่ยความโกรธมันหายไปก็เลยอยากเรียนถามปกติใจเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนถ้าเหมือนอย่างนี้ใช้ไม่ได้น ะ, อ, ะอย่างนี้มันปเพ่งอยู่ เคือเมื่อโกรธค ม, มันก่อนจะโกรธนะมันขัดใจเล็กๆก่อนถ้าความขัดใจเยอะมากคนั่นแหละเพราะเราสติไวไงมันก็เลยไม่พัฒนาไปเป็นความโกรธใหญ่ๆคเนี่ยเรารู้ทันได้แต่มันเริ่มเล็กๆดูความขัดใจได้ใช่ไหมได้จริงๆไอขี้โมโหแทำกรรมฐานที่ดีเลยนะดูใจที่โกรธนะ่ะ แตว่าช่วงหลังมานี่หนูรู้สึกว่าหนูหนจะไม่ค่อยโกรธแต่ว่าจะามีความเครียดขนาดนี้นั่นแหละเครียดนั่นแหละโทสะะล่วแต่ความเครียดจะบ่อยมากใจมันไม่ช่ำชื่นือใจมันมีโทส ะ, ะให้รู้ว่าเครียดนั่นแหละรู้ว่าโกรธะล่วถ้าใจมีโทสาะนะจะเครียดอ่แล้วจเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้ก็ ถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็พอได้แต่ว่าอยู่ในอนั่นหนีโลกหนีโลกใช่ไหมคะใช่หนีโลกมันหนีไปด้วยโทรศสพอีกล้พออยู่ในคนหมู่มากนี่ก็จะหลงหลงโลกไปเลยไม่ทราบว่าต้องดูยังไงครับต้องดูดูว่าจิตฟุ้งซ่านไปเลยหรือเปล่ารู้ทันจิตก็ได้รู้ทันจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมไม่รู้ทันตัวเนี้ยจิตหุดหงิดนะจิตลำคาญเนี้เกิดบ่อยใช่ลำคาญบ่อยไม่ใช่เพราะลำคาญคนอื่นนะลำคาญตัวเองด้วย ใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีสักทีอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะมันวึบฟัดเฟือฟัดอีตลอดเลยรู้ทันมันเข้าไปเลยใชนี่แหละกิเลสละอ่าแล้วตอนนี้กายกับใจแยกได้บ้างแล้วใช่ไหมคะนั่นเป็นเรื่องเล็กแล้วกกายแยกใจเรื่องง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็แยกตอนนี้สัปดาห์มานี้รู้สึกว่าความคิดความคิดมันจะห่างออกไปไม่ได้แล้วคอยรู้ทันใจที่ไม่แช่มชืนไหมนะ ไม่แช่มชื่นเรารู้ไม่แช่มชื่นเรารู้ไม่ต้องทําให้แช่มชื่นน ะ, ะแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านก็นบริกรรมเมตตาพุนังไปน ะ, ะแล้วก็คอยรู้ทันใจใจแม่นแช่มชื่นขึ้นมาก็รู้ไปฝึกตัวนี้ให้เยอะๆอะอะให้คนเห็นขอบคุณเวลามันขี้โมโหอะมันโมโหตัวเองเป็นระรอบระรอก <laughs> รั ก, การหลวงพ่อครับอืมว่ า, าอตอนนี้มีปัญหาในการทําในรูปแบบอะครับอืก็คือเวลาแล้วรู้สึกเผล่าว่าขันมันแยกได้ครับก็จะเห็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาห่อนั่นแหละเพราะนาถูกแล้วแต่มันตรงนี้คือมีปัญหาในการทำรูปแบบเวลาจะทำทีไรก็จะแบบมันก็จะเหมือนอยากได้ซึ่งความส ง, งบอยากรู้สึกตัวแต่เราก็รู้อยู่แต่มันก็ มันก็จะอึดอัดนะครับน้องพ่ออยากให้น้องพ่อแนะนําำถ้าโลกเพิ่มมามต้องทุกข์ละมีตันหามีความอยากก็ต้องมีความทุกข์เป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมะครับแล้วเรารู้ทันใจไปรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไปอย่างสบายๆนะอย่าหลงโลกเท่านั้นแหละ ร, ร่างกายเสลนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเราก็รักกายเยอะนะดู ก, กายไว้ด้วยไม่งั้นราคะมันจะแรง แล้ววิหารธรรมในชีวิตประจําวันจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนํารู้สึกร่างกายนี้แหละแล้วมันจะเห็นจิตชัดเอาคุณพระครับเวลาเทศน์นะบางทีต้องระวังเหมือนกันอย่าสอนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะไม่เหมือนกันต้องมีความระวังต่างกันอย่างผู้ชายนะเราบอกว่าราคะแรงเนี่ยนะพูดง่ายนะถ้าผู้หญิงบอกว่าราคะแรงเนี่ยรู้สึกสั่นสะเทือนนะ โมโหเลยบางคนเราก็ต้องเบี่ยงไปพูดเรื่องอื่น <c oughs> คนนี้ไม่ได้แรงหรอกว่ามาหนูมีสองคำถามค่ะหลวงพ่อคำถามแรกก็คือที่ได้ฟังซีดีแล้วก็ที่ญาติธรรมบอกอะค่ะบอกว่าเหมือนกับการปฏิบัติมันจะเป็นรอบๆก็คื อ, อมีทมสมาธะแล้วก็เดินปัญญาค่ะ แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้คิดอะไรเวลาทำครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าว่าเราแบบเหมือนเดินปัญญาเยอะเป็นกังวลจิตมันเดินเองจิตมันเดินปัญญาอยู่แล้วะมันไม่ไม่ไม่มาแกล้ป้ายบอกเราหรอกว่าตอนนี้เป็นเวลาสมถะตอนนี้วิปัสสนานะแต่จิตบางคนมันไม่เดินปัญญาเขาหนูมันเดินอยู่แล้วไม่ต้องกลัวก็คือทําไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็อีกเรื่องก็คืออออ่ามันจะมีเรื่องทางโลกที่แบบเราคาดหวังนะคะแล้วก็เหมือนออกไปอินกับมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะคนนี้เวลาก็ต้องทุกอ่ะนี่ก็มีจริยธรรมนะแต่ว่าอมันจะไม่ทันเวลาคิดนะคะเพราะว่ามันต้องหลงไปก่อนต้องคิดไปก่อนแล้วงทุกไปก่อนแล้วค่อยรู้มันก็จะไปรู้ตอนทุกเลยอ่ะถูกแล้ว แล้วค่อยๆดูไปเรื่อต่อไปก็ไปที่เหตุของทุกข์เหตุของทุกข์ก็อยากนั่นแหละ <c oughs> อาจดูไปเดี๋ยวมันชํานาญก็เก่งเองขอบพระคุณนะคะทําในรูปแบบทุกวันหรือเปล่าทํานะแล้วก็เพิ่มความรู้สึกตัวนิดนึงรู้สึกตัวให้ให้ดีๆหน่อยความรู้สึกตัวมันอ่อนไปนิดนึงกราบนพิธการหลวงพ่อเจ้าค่ะ พอดีมีโพยเหมือนกันเจ้าค่ะครั้งนี้ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองั้นี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่มีตั้งเล่มหนึ่งส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกที่ส่งกันบ้านนัไม่ว่าใจเราเปลี่ยนไปแล้วเลี่ยนไปนะเจ้าค่ะครั้งแรกกับครั้งนี้คุณภาพจิตต่างกันเยอะเลยครั้งแรกที่ส่งกันบ้านนี่จะถามหลวงพ่อว่าถ้าเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องเดิมๆที่เคยทําไม่ดี แล้วกลับมาลบกวนเราอยู่หลวงพ่อก็จะแนะนำว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นให้เรานึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะไม่ทำอีกซึ่ง<ร>จบก็ทำได้สำเร็จค่ ะ, ะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าให้นึกถึงสิ่งที่ ด, ดีเช่นให้เงินขอทานหนึ่งบาทให้คิดมันทั้งวันแล้วก็จิตที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นก็พยายามนึกแต่ว่าไม่ได้กุศล น, นะทา<ำ>นะนะอะไรที่เป็นกุศล น, นะคิดบ่อย นึกบ่อยๆมันก็เหมือนทำบ่อยๆไปทาชั่วมาก็จะไปคิดซ้ำไ่คิดบ่อยก็เหมือนทำชั่วบ่อยๆค่ะไม่ไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบเท่าไหร่ค่ะหลวงพ่อส่วนมากจะฝึกให้มีสติในการดาเนินชีวิตประจำวันใช้ได้ค่ะที่ฝึกใช้ได้จิตมีแรงแล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากหลวงพ่อจ้ทำถูกแล้วตอนนี้ตื่นเต้นโชคา สังเกตหรือเปล่วปาลว่จิตมันมีความนุ่มนวลขึ้นมาเองมีความอบอุ่นมีความนุ่มนวลมีความร่มเย็ น, นมีความเบิกบานาพุดขึ้นเป็นระยะระยะเนี่ยใจเราทรงสมาธิที่ถูกต้องใจก็เป็นอย่างนี้แล้วก็คอยดูร่างกายมันทำงานมันไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าเห็นจิตได้ก็เห็นจิตเนาะถ้าไม่เห็นจิตนะก็ดูกาย เห็นไปด้วยไม่มีเราไม่มีเราจร้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะอนุโมทนาสังเกตไหมมันมีความสุขผุดขึ้นได้เองค<ช>่ะนี่มันต้องอย่างนี้เจ้าค่ะภานาภานามีแต่เรืรร่องฟุงงซ่านผุดขึ้นมาตูไม่ได้กับนมำสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูขออนุญาตสงทานบ้านเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมาก ค่ะหนูเคยฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อห้าหกปีที่แล้วค่ะแล้วก็เกิดความไม่ชัดเจนหลังเลยสงสัยก็เลยหยุดฟังไปต้องขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะ เกิดความลังเลสงสัยมันไม่ชัดเจนตอนนั้นหนูก็เลยได้หยุดฟังไปค่ะอ๋อกำลัของหนูไม่ทําบอตทัวโลกใช่ค่ะแล้วสี่ห้าปีที่ผ่านมาหนูนี้เจอมรสุมชีวิตตลอด เ, ออเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยมรสุมลูกใหญ่เลยทําให้ช่วงปลายปีหนูได้กลับมาฟังซีดีหลวงพ่อใหม่ค่ะบุญแล้วละขันมาถึงเริ่มแยกใช่ค่ะแล้วก็พอเริ่มฟังแล้วก็หนูส่วนมากหนูจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันเจ้าค่ะ แล้วพอมาปฏิบัติในรูปแบบหนูก็จะภาวนาพุโทโธดูลมหายใจบางครั้งก็คืึงนิว้วก็พอทำไปสักพักเหมือนเราเห็นแขนอยู่ท่อนห น, นึ่งร่างกายอยู่ท่อนหนึง่งเราก็ทำต่อไปอีกก็รู้สึกว่ามันมีคืนหนึ่งค่ะที่ที่ใจเราเนี่ยมันเมนเป็นดวงใจแล้วก็แล้วก็ตัวเราหายตอนนั้นหนูตกใจหนูก็เลยว่า ใ, ใจมันเป็นสมาธิใช่ไหมคะม แล้วก็หนูก็เลยหยุดทําไงเอาอย่างไรเพราะว่าเพราะว่าหนูว่าน่าจะปัญญานำํำเราทีนี้หนูมาเริ่มทําใหม่ตอนคุมภาเริ่มทําในรูปแบบทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็ในชีวิตประจาวันนี้ออกกําลังกายหรืออะไรหนูก็จะภาวนาไปด้วยเจ้าค่ะดีแล้วละ่ะนะชีวิตจิตใจได้เปลี่ยนไปในทางดีใช่ได้ค่ะรู้สึกว่าตัวเองได้เจอความสุขที่พันี่เจ้าค่ะหลวงพอ่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไกลาจากโลกมากเลยโดยมีอาการดีขึ้น แล้วก็จะรู้สึกว่าช่วงหลังมา น, นี้จะรู้สึกเหมือนใจเรารู้ด้วยมืนมันมีความรู้ขึ้นมาเราจะเรียกว่าปัญญาได้ไหมคะคือรู้ว่าเกิดดับไตรลักษณ์แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเป็นก้อนธาตุเริ่มปัญญาอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจทีละทีละคำที่หลวงพ่อสอนนะคะแต่ก่อนก็จะมีแค่ความรู้กับการฟังซีดีเฉยๆแต่ตอนนี้มันมันเหมือ น, นปิ้งเองะค่ะที่หลวงพ่อสอนนะเป็นเรื่องของการรู้ทันสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยเห็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่าง แล้วทุกอย่างนะมีไตรลักษณ์หมดมันมีลักษณะร่วมกันของทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมาคือไตรลักษณ์ถเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะเป็นลักษณะร่วมเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างไม่เที่ยงพอนานดีเท่ไรไปทําอีกแล้วก็ที่หนูเห็นนี่ก็คือว่าเห็นจริงๆใช่ไหมคะไม่สําคัญมอไม่สําคัญใช่ไหมคะก็คือพอ ไ, ได้ใช่ไหมเพราะมันจบไปแล้ว ก็มัปัจจุบันนะก็ขบขอบคุณหลวงพ่อค่ะ <K an> อขอปฏิบัติบูชาจา้ะค่ะอนุนโมทนาชอบมากเลยปฏิบัติบูชาเนี่ยค่ะกราบนมรสการค่ะพระอาจารย์อค่ะปฏิบัติมาช่วงนี้ช่วงปิดเทอมก็ปฏิบัติแบบต่อเ น, นื่องพอได้เป็นครูค่ะอ่าครูเนี่ยนะเท่าที่หลวงพ่อเห็นนะมีจุดอ่อนอย่างหนึงช่างคิดคแล้วบางคนบอกว่าคิดมากไป ดิฉันเป็นครูดิฉันต้องคิดมากเมื่อยอย่างนี้ก็มีนะว่ะาเออแล้วแต่เวรแต่กรรมพอ <laughs> ดีช่วงหลังๆมารู้สึกว่าจิตมันยอมรับของการทํางานของกายมันทํางานเองค่ะ น, นั่าอย่างนั้นใจก็ทํางานเองค่ะดีะอย่างนี้สิดีแล้วรู้สึกว่าตอนนี้สมาธิมันมีมาเองค่ะอยังมีความสุขค่ะแต่ก็ไม่ติดกับสุขนะคะรู้ทันติดนะค่ะ ประคองไว้นิดหน่อยค่ะแต่พยายามจะจะรู้ทันว่าเป็นไตรักค่ะเราชอบเราชอบเราแอบไปชอบความสุขแล้วล่ะค่ะให้รู้ทันนะว่าชอบค่ะรู้ทันค่ะเพราะว่ารู้ว่ามัตมาทิตัวนี้ที่เราเคยที่จะกดข่มบังคับแล้วมันไม่เคยมาแต่ตอนนี้มันมาเองรู้สึกชอบแต่ก็พยายามจะรู้ทันตรงที่รู้สึกชอบนี่แหละติดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายินดีพอใจค่ะ อย่างนี้อยู่ได้ทั้งวัดนะเพามันชอบเคให้รู้ทันว่าชอบค่ะะถ้ารู้ทันว่าชอบจะไม่ติดค่ะรู้ทันค่ะแล้วก็รู้ทันว่าเดียวมันก็ไปแล้วมันก็มาค่ะแตบางทีบ่อยบางทีชำเลืองดูตัวเองเราคิดว่าเราดูการทํางานของร่างกายเป็นแล้วตัวตนก็โผล่มาอีกค่ะเออดีอย่างนั้นดีเห็นกิเลสอ่ะดีค่ะนะทําให้เราพัฒนาได้ถ้าไม่เห็นกิเลสไม่พัฒนา นี่ะจะทำอีกกล่าวลมัสการบูชาคุณของพระ อ, อาจารย์ค่ะกว่าหลวงพ่อจะเทศแล้วพวกเราพัฒนามาถึงตอนนี้นะใช้เวลาหลายปีมาแนละ้วตั้งแต่บวชมาก็สิบห้าปีนะแต่สอนมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วช่วงแรกๆเนี่ยต้องฝ่าฟันมากคือวิธีสอนของหลวงพ่อเนี่ยมันไม่เหมือนการสอนของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนก่อน ขอท่านไม่สอนอะไรเยอะท่านให้พาวนาวเองวุโทโธไปหายใจไปอะไรอย่างงี้นะอย่เดินจงกรมไปด้วยไปเอะดี๋ยววัน น, นึ่งก็แจ้งเองนิสัยใจคอของคนรุ่นนี้มันไม่รอหรอกที่ให้แจ้งเองมันขี้เกียจน้ําใจวอกแวกสมาธิไม่มากพอเหมือนคนรุ่นครูบาอาจารย์กรรมฐานที่เหมาะสําหรับพวกสมาธิน้อยคือการรู้ทันจิตตัวเองไป หลวงปู่ดุลเคยไปจากก่อนไว้บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองะมาถึงวันนี้รุ่งเรืองแล้วดูพวกเราแต่ละคนเรารู้สึกไหมจิตใจเราสว่างจิตใจเรารุ่งเรืองขึ้นมาเรามีศีลเรามีธรรมนะมีความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจขึ้นมาแล้วยิ่งความรุ่งเรืองของธรรมะอยู่ที่นี่เองที่อยู่ที่ใจของเราแต่ละคนนี่เองสมัยก่อนนะจะหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งนะหายากมาก ในวัดวัดหนึ่งเนี่ยยังหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหาแทบไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เราไม่พูดเรื่องรู้สึกตัวแล้วเฉยแหลกเราพูดเรื่องแยกขันได้แยกขันเนี่ยเราพูดกันเมื่อสองสาปีก่อนนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็แยกได้ต่อไปเนี่ยต้องดูไตรลักษณ์ของมันได้เห็นสภาวะธรรมแต่ละอันแต่ละอันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยรูปนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ความสุขทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความดีความชั่วก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษนณะ์จิตนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์บนะังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดทำงานได้เองเนี่เราพัฒนาตัวเองไปนะเราจะก้าวใกล้มักผมรรคนิพพานเข้าไปเป็นลำดับลาดับแนละ้วเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะจากครั้งแรกที่มาเทศที่นี่นะดูแล้วมึดตือเลย ไม่ใช่ว่าห้องเขาไฟมากขึ้นด้วยซ้ําไปไฟเขาก็อย่างเก่านี้แหลนะน่ใจพวกเรามันสว่างกว่าเก่ารู้สึกไหมใครรู้สึกว่าใจมันสว่างมากขึ้นถ้าภาว น, ะนาไปมันจะรู้สึกนะกระทั่งพวกที่ว่าไม่เคยฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมใจขณะนี้กับใจตอนที่เริ่มฟังเนี่ยไม่เหมือนกั น, นยิ่งเวลาที่ฟังหลวงพ่อเทศนะสักพักหนึ่งใจมันจะสว่างขึ้นมาจะรู้เนื้อรู้ตัวจะรับกระแสของธรรมะได้ง่าย จะเข้าใจง่ายนะจะเข้าใจได้แล้วไม่นานนะค่อยๆฝึกไปนะไม่นานก็คงจะได้อะไรบ้างแล้วพนะอสมควรกกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาเมตตาพวกเรานะครับเดินทางมาแสดงคําให้พวกเราฟังนะครับผมขอเป็นตัวแทนของทุกๆ ท, ท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายทายาธรรมที่ทุกๆ ท, ท่านได้ร่วม ร่วมกันทํานะครับขอให้ทุกท่านตั to to ses, another, an ้งใจระลึกถึงบุญที ha ่ได้กระทําร่วมกันในวันนี้ทําจิตให้สงบเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญครั้งนี้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเครื่องปัะจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์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 สัพเพปูเรนตูสังกปาฉันททปนรโสยถามนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัติชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาธนาสีเลนสนิจังวิทาปจายโนจัตตารธมามะทันติอายุวนโนสุขังพลัง มีความสุขความเจริญนะทั้งทางโลก ท, งทางธรรมมีศีลมีธรรมศีลธรรมคุ้มครองเรานะให้ไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆไปฝึกเอา